16. ต้องรู้สภาวะธรรมด้วยใจที่เป็นกลางจิตที่ไปรู้สภาวะธรรมต้องเป็นใจที่ธรรมดาที่สุดไม่ดัดแปลงใดๆเมื่อรู้สภาวะแล้วความยินดีนร้ายเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันความยินดีนร้ายจะดับเราก็รู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางต่อไปให้หัดรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไม่แทรกแซงรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันค่อยเกิดขึ้น